4. ปินดะปาตะวักสิกขาบทที่หนึ่ง 153. ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อฉันบินทบาทโดยไม่เคารพในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ